วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบเจ็ดพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังเทศทางธรรม และมาปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงการแสดงธรรมที่นี่ก็จะมีแบ่งไว้เป็นสองช่วงด้วยกันสามสิบนาทีแรกจะเป็นการแสดงธรรมและสามสิบนาทีหลังจะเป็นการนั่งสมาธิ เพื่อทำใจให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมาทำที่จะนำมาแสดงในวันนี้ก็คือเรื่องศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาศรัทธาคืออะไรเชื่ออย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องความเชื่อในพระพุทธศาสนา ก็คือการเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เป็นวิยายที่แต่งกันขึ้นมาให้เราเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ ได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเย็นว่ายตายเกิดแล้วแล้วหลังจากที่ท่านได้หลุดพ้นท่านก็นํำมาวิธีการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นมาเผยแพร่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกที่สนใจที่อยากจะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเย็นว่ายตายเกิด ต, ต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงเป็นคนจริงๆเหมือนพวกเราเป็นคนที่เกิดในตระกูลของกษัตริย์เป็นราชกุมารเป็นคนที่มีบุญมีวาสนามีบารมีตอนที่เกิดก็เกิดเป็น พระราชกูมานเป็นองรสของพระเจ้าแผ่นดินแล้วตอนอายุยี่สิบเก้าปีหลังจากที่ได้เห็นเทวทูตสี่คือเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายได้เห็นนักบวชก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอย่างมาก ไม่เคยทุกมาก่อนเลยตั้งแต่เกิดมาเพราะไม่เคยคิดเลยว่าตนเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในวันข้างหน้าจึงทำให้อยากจะกำจัดความทุกข์ต่างๆไม่อยากจะต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็เลยเห็นว่าทางเดียวที่จะทำให้ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องไปเป็นนักบวชไปศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อให้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งสวงได้พออายุยี่สิบเก้าปีก็เลยเสด็จหนีออกจากพระราชวังไปในยามดึกแล้วก็ไปศึกษากับนักบวชต่างๆอยู่ได้ เวลาหกปีด้วยกันจึงได้ตัดสรู้วิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะตัดสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เรียนรู้วิธีดับความทุกข์แบบชั่วคราวด้วยการเข้าสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบแต่เวลาที่ออกจากสมาธิมา ความทุกข์ก็ยังมีอยู่ยังไม่มีใครรู้ว่าจะทำอย่างไรให้ความทุกข์นี้หายไปได้อย่างถาวรก็เลยส่งไปคนคว้าลองผิดลองถูกอยู่ตามลำพังของพระ อ, องค์เองจนในที่สุดก็ได้ค้นพบสาเหตุของความทุกข์ก็เกิดจากการหาความอยากถามประการด้วยกัน คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิด ต, ต่างๆภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าละตัณหาทั้งสามนี้ได้ใจก็จะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปและจะไม่ต้องกลับมา เกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆอกต่อไปและการที่จะทำให้ความอยากนี้หมดไปจากใจได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคที่มีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมากรรมโตสัมมาวาจา สัมมาชิโวสัมมาวายาะโมสัมมาสติสัมมาสมาธิซึ่งโดยย่อ ก, ก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นฆราวาสผู้ครองเรือนก็ให้ปฏิบัติเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือการทำบุญทำทานแล้วค่อยมารักษาศีลมาภาวนา ภาวนาก็คือการเจริญสติการเจริญสมาธิถ้าสามารถปฏิบัติมักที่เป็นองแปดก็ได้มักที่เป็นทานศีลภาวนาก็ได้มักที่เป็นศีลสมาธิปัญญาก็ได้ก็จะสามารถละตัณหาความอยากทั้งสามนี้ได้อย่างถาวรเมื่อละตัณหา ได้ทั้งทั้งสามได้อย่างถาวรความทุกข์ในใจก็จะไม่มีต่อไปการจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็ไม่มีต่อไปหลังจากที่ได้ทรงตัดสูุแล้วก็เลยมีความเมตตาต่อสัตว์โลกจึงได้อุทิศชีวิตที่เหลืออยู่อีกสี่สิบห้าปีด้วยกัน คือทรงทสรัจฉิโลในอายุ35ปีหลังจากออกบวชตอนที่อายุ29ปีบวชอยู่6ปีด้วยการปฏิบัติศึกษาปลาที่สุดก็ได้ค้นพบ <c oughs> ต้นเหตุของความทุกข์และได้ค้นพบวิธีการที่จะดับความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้จนทำให้ความทุกข์ที่เคยมีในใจนี้ หมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากนั้นก็ส่งส่งเอาความรู้นี้มาเผยแ่่สั่งสอนสัตว์โลกผู้ที่สนใจที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ใดที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์พอได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ศึกษาได้ฟังแล้วนําเอาไปปฏิบัติ ก็สามารถทําให้ใจของตนเองสุดค้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกับใจของพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้มนมาพระอริยสงสาวกก็คือผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธเจ้ามีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า จึงน้อมนาเอาคำสอนที่ทรงสอนให้ปฏิบัติทานศีลภาวนาสอนให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาสอนให้เจริญมรรคที่มีองค์แปดเมื่อได้ปฏิบัติจเจริญมรรคได้อย่างสมบูรณ์ก็จะมีความสามารถที่จะละความอยากทั้งสามได้อย่างเิ็นเชิง เมื่อปัญหาความอยากที่เคยสร้างความทุกข์ให้กับใจหายไปจากใจหมดความทุกข์ในใจก็จะไม่มีอีกต่อไปก็เป็นพระอริยะสงสาวกขึ้นมามีอยู่สี่ขั้นด้วยกันพระสาวกนี้บรรลุเป็นขั้นขั้นเหมือนเั็นขั้นบนันไดขั้นที่หนึ่งเรียกว่าพระโสดาบันขั้นที่สองเรียกว่าพระสกิฎาคามี ขั้นที่สามเรียกว่าพระอนาคามีขั้นที่สี่เรียกว่าพระอรหันต์การบรรลุก็หมายถึงการดับความทุกข์เป็นส่วนๆไปความทุกข์มีแบ่งไว้เป็นสี่ส่วนด้วยกันพระโสดาบันก็ละความทุกข์ได้หนึ่งในสี่พระสะกิรดาคามีก็ละได้สองในสี่ พระอนาคามีก็ละได้สามในสี่พระอรหันต์ก็ละได้สี่รับละได้หมดเลยเมื่อใจไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ไม่มีความอยากเหลืออยู่ใจก็กลายเป็นนิพพานขึ้นมานิพพานก็คือใจที่ไม่มีการจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่ไม่ได้ตายไม่ได้หายไปไหน ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์นี้ยังอยู่เหมือนกับใจของพวกเราอยู่ในโลกทิพย์เหมือนกันต่างกันตรงที่ใจของพวกเรายัางมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะเรายังไม่สามารถที่จะละความอยากทั้งสามได้ยังไม่สามารถละกามตันหาภาวะตัญหาและวิภาวะตันหาที่มีอยู่ในใจของเราได้ เราก็เลยยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ต่อไปจนกว่าเราจะสามารถสร้างมรรคขึ้นมาให้สมบูรณ์สร้างศีลสมาธิปัญญาสร้างทานศีลภาวนาหรือสร้างมรรคที่มีองค์แปได้ครบสมบูรณ์แล้วเราก็จะสามารถละความอยากต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไป ใจเราก็จะไม่ต้องมาผุดมาเกิดอีกต่อไปใจของเราก็จะอยู่ที่นิพพานหรือเป็นนิพพานไปนี่คือความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์<ม>ว่าเป็นขบวนการของการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงของจิตใจถ้าใครอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถึงจะสามารถที่จะหลุดพ้นได้ถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่มีวันที่จะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือความหมายของศรัทธาในพระพุทธศาสนา เบื้องต้นเราต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าว่าท่านทั้งสามนี้สามารถเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราได้ถ้าเราไม่รู้วิธีการดับทุกข์ว่าดับอย่างไรไม่รู้วิธีการยุติการเวียนว่ายตายเกิดว่ายุติอย่างไร เราต้องเข้าหาพระพุทธพรธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นที่จะสามารถสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ถ้าเราไปเรียนตามสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีในโลกนี้ต่อให้เป็นสถาบันอันดับหนึ่งของโลกก็ตา ม, มสถาบันเหล่านี้จะไม่มีวิชาที่จะสอนให้เราหลุดพ้นจาก ความทุกข์ได้เลยแต่กลับจะทำให้เราพอกพูนสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปเสียอีกเพราะเมื่อเรามีความรู้ความฉลาดทางโลกรู้จักวิธีทามาหากินหาเงินหาทองความอยากของเราก็กลับมีเพิ่มมากขึ้นไปยิ่งมีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเท่าไหร่ยิ่งมีภพชาติยิ่งมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้น ฉะนั้นถ้าเราอยากจะรุ่นหนุดพ้นจากความทุกข์อย่างจริงจังอย่าไปเสียเวลากับการไปศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่างๆเพราะสถาบันการศึกษาต่างๆวิชาความรู้ที่เขาสอนไม่สามารถนำมามาดับความทุกข์ทางใจได้ไม่สามารถยุติการเ ย, ยนว่าตายเกิดของใจเราได้เ ย, ยนไปก็เป็นความรู้แบบ ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหมายความว่าความรู้ดีระดับถึงระดับปริญญาเองรู้หมดรู้สิ่งนั้นรู้สิ่งนี้รู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้แต่ความรู้ต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถมาให้มาทำให้ตนเองหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ได้<ม>ต่อให้เรียนจบปริญญาเองจากสถาบันอันดับหนึ่งของโลกได้รับรางวัล ดีเด่นต่างๆของทางโลกได้รับรางวัลโนเบลสาขาวิชาการต่างๆเป็นที่ยกย่องยอมรับว่าเป็นผู้ที่รู้ผู้ที่ฉลาดแต่ก็รู้แบบเอารู้แบบความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดยังต้องทุกอยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าไม่ได้ รู้แบบพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้แบบผ้าหลนตสาโลกล้วก็ยังจะต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆอยู่ต่อไปอ น, นี่คือความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราได้อย่างแท้จริงถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเราต้องเข้าหาพระพุทธธรรมหรือพระสงฆ์ องใดองหนึ่งเพราะท่านทำหน้าที่แทนกันได้เช่นตอนนี้พระพุทธเจ้าก็จากพวกเราไปแล้วแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปท่านก็ทรงสแสดงทรงตัดบอกพวกเราว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระศาสดาเพราะว่าพระธรรมวินัยที่เป็นสวะขาโตพระวัตาธรรมโอ เป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนี้จะเป็นศาสดาแทนต่อไปเราจะไม่มีเราจะไม่ขาดศาสดาคือพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าหาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตอนนี้ได้มีการเก็บบันทึกไว้ในพระธรรมพีพระไตรปิฎกถ้าอยากจะเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าก็ให้ไปเรียนรู้จากพระธรรมพีพระไตรปิฎก หรือถ้าเราไม่สามารถที่จะศึกษาจากพระไตรปิฎกได้เพราะว่าเป็นคำสอนที่ยากต่อการเข้าใจถ้าเรามีโอกาสได้เจอกับพระอริยสงฆ์สาวกของ พ, อพระพุทธเจ้าเป็นพระปฏิบัติ บ, ตบีปฏิบัติชอบเป็นพระสุปฏิปันโนเราก็สามารถศึกษาจากพระ สุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชาบเหล่านี้ได้เพราะท่านก็เป็นพระอาริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองนี่คือความหมายของการมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาเราต้องเชื่อร้อยเปอร์เซนว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงเป็นผู้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยตนเอง แล้วก็สามารถนามาธรรมะที่ได้หลุดพ้นนี้มาสั่งสอนให้กับผู้อื่นได้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสอนก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์กลายเป็นพระอริยสงสาวกุกระดับเป็นพระสกิฎรคามีพระอนาคามีพระโสดาบันพระพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า เราถ้าเรามีศรัท ธ, ธาเราก็จะเข้าหาท่านเพื่อได้ศึกษาได้เรียนรู้คําสั่งคําสอนวิธีการของการหลุดพ้นจากความทุกข์ว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างแต่ถ้าเราไม่มีศรัท ธ, ธาความเชื่อเราก็จะไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่รู้วิธี ของการดับความทุกข์ต่างๆถ้าดับความทุกข์ต่างๆได้อย่างไรเราก็จะติดอยู่ในกองทุกข์ไปเรื่อยๆติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นถ้าเรายังไม่มีศรัทธาทำอย่างไรจึงจะทำให้เราเกิดศรัทธาขึ้นมาเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ เช่นตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่มีเราก็ต้องเข้าหาตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคาสั่งคาสอนหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าแทนเข้าศึกษาพระสูตรต่างๆที่สอนวิธีของการดับความทุกข์ซึ่งมีพระสูตรสำคัญที่เราควรจะศึกษาไม่มากเช่น พระสูตรแรกก็คือธรรมจักกับปวัตนสูตรแสดงวิธีการดับความทุกข์ด้วยการเจริญมากแปดแล้วก็แสดงเรื่องของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากตา่างๆเป็นต้นแล้วก็ศึกษาพระสูตรที่เรียกว่าอนัตตลักกนัตสูตร อันนี้จะสอนให้เราจดปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีตัวตนไม่มีใครสามารถครอบ ค, อครองควบคุมบังคับให้เป็นสมบัติของตนไปได้ตลอดวันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงถ้าไปยึดไปติดก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่ร่างกายนี้ก็ต้องปล่อยวางยึดติดไม่ได้แล้วก็สอนเรื่องสติปัฏฐานสูตรคือการเจริญสติตการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญาเพื่อให้ปล่อยวางสิ่งที่ใจยังไปยึดไปติดอยู่คือร่างกายเวทนาและจิตใจแล้วก็สอนประสูตร ที่เรียกว่ามงคลระสุดมงคลสามสิบแปดเป็นการปฏิบัติเป็นขั้นบันไดจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สามสิบแปดคือขั้นพระ น, นิพพานให้รู้วิธีการดำเนินชีวิตของชาวพุทธที่ถูกต้องว่าควรจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ แล้วก็มีพระสูตรหนึ่งคืออาทิตตปริยาญาสูตรอันนี้ก็ทรงแสดงให้เห็นว่าความสุขจากรูปเสียงกลิภภน่นรสผุดพะนี้เป็นทุกข์เป็นเหมือนกองไฟเพราะว่าถ้าไปเสพไปสัมผัสแล้วก็จะติดเวลาที่ไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าละได้ไม่เสพได้ใจก็จะหายจากความทุกข์ได้ อันนี้คือสิ่งที่เราควรจะศึกษากันถ้าเราเป็นชาวพุทธไม่ต้องไม่ไม่ต้องศึกษามากไม่ต้องศึกษาทั้งทั้งพระไตรปิฎกนนที่มีถึงแ4ดหมื่นสี่พันธรรมบทด้วยกันศึกษาแค่สี่ห้าบทนี้ก็พอเพียงต่อการนำเอาไปปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ถ้าศึกษาอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจก็ต้องไปหาพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบช่วยอธิบายช่วยแนะแนาวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้อง mm hmm. ต้องเข้าหาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะท่านเหล่านี้ท่านได้ปฏิบัติมาแล้วท่านรู้วิธีการเจริญมรรคปา รู้วิธีการเจริญศีนสมาธิปัญญารู้วิธีการเจริญทานศีนภาวนาท่านสามารถที่จะสอนให้เราปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเมื่อเราได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องแล้วผลก็จะต้องเกิดตามมาอย่างแน่นอนคือความทุกข์ต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลําดับ จนในที่สุดจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปเบื้องต้นเราต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อมีความเชื่อแล้วเราก็ต้องเข้าหาพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจให ดับได้อย่างไรต้องทำอย่างไรเมื่อได้นำมาไปเมื่อได้ยินได้ฟังวิธีการปฏิบัติแล้วก็นำมาไปปฏิบัติอพอปฏิบัติแล้วผลก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาตามตามลำดับตามกำลังของการปฏิบัติแล้วในที่สุดความทุกข์ทั้งหลายที่เคยมีอยู่ในใจก็จะหมดสิ้นไปอย่างแน่นอน แล้วเราก็จะได้กลายเป็นพระอริยสงฆ์สาวก ข, ของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วหลังจากที่เราได้บรรลุได้เป็นพระสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าต่อไปคือเราก็จะได้ทำหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กับเพื่อนร่วมโลก ที่ยังหลงอยู่นงติดอยู่ในกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเขามีศรัทธาที่อยากจะศึกษาจากเรามไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปคอยเรียกคนนั้นคนนี้มาศึกษา<ม>การศึกษานี้ต้องเกิดจากศรัทธาความเชื่อในตัวผู้ที่อยากจะศึกษาก่อน ถ้าเขาไม่มีศรัทธาความเชื่อในตัวเราเราก็จะไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้เราก็ต้องทำหน้าที่สอนผู้ที่เขาสนใจเท่านั้นก็พอถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาศึกษาก็ไม่ต้องสอนใครก็ได้ไม่ได้เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำเป็นเรื่องของความสมัครใจ ในเรื่องการเผยแผ่คำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ท่านที่มีการสั่งสอนก็เพราะว่ามีคนมีศรัทธามีความเชื่อในตัวท่านเข้าหาท่านเพื่อขอคํารู้จากท่านเมื่อมีคนเข้าหาขอความรู้มันก็เลยกลายเป็นหน้าที่ที่จะต้องสั่งสอนอแต่ถ้าไม่มีใคร ศรัทธาไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเข้าหาก็ไม่ต้องไปคอยคอยไปเรียกคนนั้นคนนี้มาสั่งสอนถ้าทําอย่างนี้ก็ยังแสดงว่ายังเป็นกิเลสอยู่ยังมีตัณหามีความอยากที่จะสั่งสอนคนนั้นคนนี้อยู่คนที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงคนที่สิ้นกิเลสสิ้นความอยากแล้ว ก็จะไม่มีความอยากที่จะสั่งสอนใครเช่นพระพุทธเจ้าตอนที่ตัดสรู้ใหม่ๆพระองค์ก็ไม่มีความอยากที่จะสอนใครโดยเฉพาะเมื่อได้พิจารณาเห็นวิธีการปฏิบัติว่าเป็นเรื่องที่ยากสําหรับคนทั่วไปที่จะสามารถปฏิบัติตามได้เช่นทําทานสละทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองแล้วก็ไปบวชไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา อยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามสถานที่กันดารที่ทุกข์ยากลำบากที่อัตคัดขัดสนแต่เป็นที่เหมาะต่อการเจริญทำต่อเหมาะต่อการเจริญมรรคผลนิพพาน <S 1> <S 1> คนส่วนใหญ่ในโลกจะติดอยู่กับความสุขทางโลกติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญติดอยู่กับความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถ้าต่าง ถ้าไปสอนให้เขารสิ่งเหล่านี้เพื่อไปปฏิบัติก็จะไม่มีใครอยากจะไปกันเบื้องต้นก็เลยไม่มีความปรารถนาที่อยากจะสอนใครแต่ต่อมาก็มีเท้ามาหาพรหมได้มาขอความเมตตาให้พิจารณาว่าทุกคนนี้มีความรู้ความสามารถต่างกัน มีคนบางคนอาจจะสามารถรับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้กพงั้นก็เลยท่งพิจารณายยกยกคนดูก็แยกเป็นบัวสี่เหล่าด้วยกันพวกที่มีความรู้ความฉลาดที่เห็นคุณค่าของการศึกษาการปฏิบัติตามคำสอนก็เป็นพวกที่พวกบัวเหนือนา้าถ้าได้รับสัมผัสกับคำสอนปั๊บ ก็เหมือนบัวที่ได้รับแสงอาทิตย์พออาทิตย์โผล่ขึ้นมาบัวก็จะบานขึ้นมาตรงนี้เป็นพวกที่หนึ่งกที่มีความพร้อมมากที่สุดต่อมาก็มีพวกที่สองที่มีศรัทธามีความเชื่อในเรื่องการปฏิบัติในการหลุดพ้นแต่ยังไม่มีกำลังมากพอก็ต้องใช้เวลาสอนไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นบัวเหนือน้าขึ้นมาได้ ตอนนี้ยังเป็นบัวอยู่ปิ่มน้ำอยู่และพวกที่สามก็บัวกลางน้ำพวกนี้ก็ยังอยู่ขั้นที่ไม่มีกำลังมากที่จะไปบวชได้ไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เขาสอนให้ทำบุญทำทานละบาปไปก่อนพวกนี้กันพวกที่สาม ส่วนพวกที่สี่เป็นพวกที่ไม่สนใจเลือกบาปบุญคุณโทษในโลกสวรรค์ไม่สนใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรพวกนี้ไปสอนก็เสียเวลาก็ต้องตัดไปสอนได้สามเหล่าบัวบัวกลางน้ําบัวปลีบน้ําแล้วก็บัวเหนือน้ําที่จะสามารถรับแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อการหลุดพ้นได้ พระพุทธเจ้าก็เลยตัดสินใจเลือกสอนคนเริ่มต้นก็ไปสอนพวกบัวเหนือน้ำก็คือพวกนักบวชที่เขามีศีลมีสมาธิแล้วพร้อมที่จะรับปัญญาที่พุทธเจ้าจ ะ, สะแสดงเอามาเอามาสแสดงให้ฟังพอได้ยินได้ฟังปัญญาของพพุทธเจ้าก็สามารถละกิเลสละความอยากหลุดพ้นได้ทันทีเลย ต่อมาก็สอนพวกที่สองที่เป็นนักบวชแต่ยังไม่มีสมาธิมีแต่ศีลก็สอนให้เจริญสมาธิไปก่อนเมื่อได้สมาธิแล้วก็จะสอนเรื่องปัญญาต่อไปและพวกที่สามก็สอนเป็นพวกที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชเป็นกาลวะผู้ครองเรือนก็ทรงสอนให้หมันทำบุญทำทานรักษาศีลห้าไปก่อนแล้วมีเวลาว่างวันไหนก็ให้ไปหัดเจริญสตินั่งสมาธิ ทำไปเรื่อยๆก่อนสะสมบารมีไปก่อนแล้วก็จะค่อยๆเจริญเติบโตกขึ้นไปตามลําดับต่อไปก็จะออกบวชได้เมื่อออกบวชได้แล้วก็จะสามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างเข้มข้นได้อย่างเต็มที่ก็จะสามารถหลุดพ้นได้ตามลําดับต่อไปนี่คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ต่อไปนี้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันธรรมที่สาคัญในการปฏิบัติก็คือการเจริญสมาธินี่เองเพราะก่อนที่เราจะใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเอาไปละตันหาความอยากได้ใจเราต้องมีสมาธิที่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ถ้าไม่มีสมาธิใจจะไม่มีกำลังจะหยุด ความอยากได้ถึงแม้เราจะรู้ว่าความอยากเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ก็ตามแต่เวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเรามักจะแพ้มันสู้มันไม่ไหวเพราะใจเราไม่มีสมาธิถ้าเรามีสมาธิพอใจเกิดความอยากถ้าเรารู้ว่ามันจะทำให้เราทุกข์เราก็หยุดมันได้ทันทีดังนั้นสิ่งที่เราต้องสร้างกันให้มากๆในเบื้องต้นก็คือสร้างสมาธิคือทาใจให้นิ่งให้สงบ ให้อยู่ในระดับฌานขั้นที่สี่เพื่อเราจะได้มีอุเบกขาวางเฉยได้การนั่งสมาธินี้เรานั่งเพื่อให้จิตใจนิ่งให้สงบให้เกิดความสุขให้เกิดอุเบกขาเราไม่ต้องการให้เกิดปัญญาแต่อย่างใดการจะให้เกิดปัญญานี้เราต้องใช้ความคิดซึ่งเป็นอีกขั้นหนึ่งคลขั้นกันคนละตอนกั น, ข, น, กนขั้นแรกเราต้องการหยุดความคิดให้ใจนิ่งให้สงบ เพื่อให้เรามีกำลังหยุดความอยากต่อไปให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยไปเจริญปัญญาพิจารณาว่าความอยากตัวไหนเป็นตัวที่ทาให้เราทุกข์เราก็ค่อยหยุดมันต่อไปได้ดังนั้นเวลานั่งสมาธิไม่ต้องการให้รู้อะไรไม่ต้องการให้เห็นอะไรถ้ามีอะไรให้เห็นให้ปรากฏให้รู้อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้ตามเห็นเราต้องนั่งแบบมีสติยึด ยึดเหนยวจิตใจให้อยูいい่กับอารมณ์ของกรรมฐานมีสติผูกใจไว้ให้อย function, ู่กับ okay. okay. well, um, anyway. อารมณ์ของกรรมฐานซึ่งมีหลายวิธีด้วยกันอารมณ์ของกรรมฐานเช่นการดูลมหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นอารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งหรือการบริกรรมพุทโธพุทโธก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งหรือเป็นการสวดมนต์ก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งแล้วก็มีอารมณ์อกหลากหลายด้วยกันที่เราสามารถเลือกใช้กันได้ บางคนก็ใช้มรณานุสสติให้ระลึกถึงความตายก็จะทําให้ใจนิ่งให้ใจสงบได้บางคนก็ใช้บทแผ่เมตตาก็ได้สัเพสัตาอเวลาโหนตุสวดไปเรื่อยๆข้อสําคัญเวลานั่งสมาธินี้ต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดไปกับอารมณ์ต่างๆให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เราสามารถทําได้ ถ้าเราสามารถให้อยู่กับลมได้ก็ผูกไว้กับลมถ้าอยู่กับลมไม่ได้อยู่กับพุโทโธได้ก็อยู่กับพุโทโธไปถ้าอยู่กับพุโทโธไม่ได้ก็ให้อยู่กับบทสวดมนต์ไปก่อนก็ไดห้หรือวิธีอื่นก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องใช้สามวิธีที่ที่บอกมานี้ถ้าเรามีวิธีผูกใจไม่ให้ลอยไปกับอารมณ์ต่างๆ <S <S เพื่อทาใจเราให้นิ่ง <S 2> <S 2> ให้สงบก็ <S <S ให้ใช้วิธีนั้นได้ เป้าหมายก็คือให้ใจนิ่งให้สงบให้เย็นให้สบายให้มีความสุขให้มีอุเบกขาให้วางเฉยให้ได้ต่อไปนี้ก็จะมานั่งสมาธิกันไปจนกว่าเวลาจะหมดตอนนี้เวลานั่งสมาธิก็หมดพอดีก่อนที่เราจะเลิกให้สังเกตดูว่าวันนี้เรานั่งแล้วสงบดีหรือไม่ ถ้าสงบดีก็ให้จําวิธีนั่งไว้เพราะเผื่อคร า, าวหน้าเวลาเรานั่งก็ให้ทําวิธีนี้ต่อไปอย่าไปอยากให้มันสงบเพราะความอยากจะไม่ทําให้มันสงบมันกลับจะทําให้ใจไม่สงบหรือฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ให้จําวิธีว่าวันนี้เรานั่งสติเราดีใจไม่ลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานก็ จำมาไว้วิธีนี้พอข่าวหน้าเราก็มาทำต่อถ้านั่งแล้วไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังไม่มีกำลังมากพอต่อไปเราก็ต้องพยายามฝึกสติให้มากก่อนที่เราจะมานั่งพยายามหมั่นฝึกสติในระหว่างวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเจริญพุโทโธพุโทโธไปหรือดูอาการดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไป แล้วข่าวหน้าเรามานั่งก็จะสงบได้ก็ต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พรเยาถาวาริวาาปูราปาริปุเรนติสาขะรังเอวามวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระสสยธามณิจุติอระสสยธาสัพพิเตโยวิวัจจันตุสัพพโรโวิณัสตุมาเตภวะตวันตาราโยสุขีติกายุโกภวะ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 เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนากุติจากทางเฟ e บุ o k พระอาจารย์สุชาติ278ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์293 YouTube ดร V 51วิทยออนไลน์13คลับ h o u ส e 2นากุติ134รวมทั้งหมด771ท่านค่ะให้โยมถามได้เดี๋ยวส่งไมโครโฟนไปก่อน ใกล้ใกล้พกนะครับครับผำไมเราใกล้ใกล้ครับขราบนมัตการครับเกใกล้ครับอยากทราบว่าถ้าเราต้องการจะหลุดพ้นแล้วในขณะที่จิตเรากำลังจะออกจากกายเราเราควรจะเอาจิตไว้ที่จุดไหนครับต้องปฏิบัติไปถึงจะรู้เองพูดไปตอนนี้ก็ทำไม่ได้อยู่ดี ต้องฝึกเสริมสีลสมาธิปัญญาไปครับแล้วก็จะรู้วิธีที่จะทำจิตคือตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่มันเบื่อกับชีวิตแล้วก็เบื่อกับการที่จะต้องดำรงชีวิตอยู่ก็มันเบื่อแบบกิ่เลยนะเบื่อชนิดมันตอนนี้มัน ตอนนี้ผมไม่เอาทั้งดีแล้วก็ไม่เอากิเลสเนี่ยไม่เอานะครับความอยากอะไรไม่เอาอแล้วก็ไม่ได้สนใจกับลาบยศสนเสริญพูดง่ายดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่อยากได้ไม่ทํามันเบื่อครับเอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันก็ตั้งอยู่ได้กับทุกอย่างอยู่ก็ได้ตายก็ได้ใช่ครับเอไม่ทุกข์กับมันใช่ครับอก็ทั้งนั้นอ่ะแต่ทีนี้เราอผมหมายถึงช่วงนาที หรือวินาทีที่เรากําลังจะหมดอถ้าไม่มีกิเลสมันก็รู้เองเนะจะทํำยังไงถ้าไม่มีความอยากมันก็รู้คือปล่อยวางจนเป็นความเคยชินใช่ไหมครับมันก็เฉยเฉไปทั้งทั้งองครับทีนี้ยังมีอันหนึ่งบางทีนี่มันกลายเป็นเหมือนว่าไฟฟ้าช็อตคือติดๆดดับดับมันวางได้แล้วสิ่งที่จะวางไม่ได้เอมันเป็นความยึดติดทั้งๆที่รู้นะครับแต่มันก็ยังเข้ามาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรกับการที่ว่า อสิ่งที่เราตัดไม่ได้มันนั่นไม่ได้เนี่ยก็คือหมุดครับถ้าเรายังไม่เห็นว่าเขาเป็นตายรักไอเห็นว่าเขาเป็นอนนไรจังใช่ครับเวลาที่ปล่อยเราปล่อยได้แต่มันก็บางทีมันก็จะเข้ามาที่แทรกเข้ามาปล่อยไม่จริงเลยใช่ครับก็ต้องต้องต้องปล่อยก็ต้องฝึกเข้าไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ทุกครั้งที่เยอะก็ต้องปล่อยทุกครั้งที่เยอะก็ต้องปล่อยครับเพราะฉะนั้นคือทุกทุกวันนี้ที่เป็นอยู่ ก็คือเมื่อไหร่ที่เข้ามาก็พยายามสลัดแล้วก็ปล่อยแล้ววางเอาไปนิจจังไม่เที่ยงเป็นนรตะไใช่ครับก็แต่มันก็แต่มันและการที่เข้ามาเนี่ยครับมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่าครับเป็นกิเลสเป็นกิเลสยังมีอุปัตที่ความยึดติดอยู่ยังติดเขาอยู่ยังนักเขาวง่เขาอยู่ครับยังชอบเขาอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องวางฝึกจนกระทั่งเป็นความเคยชินเขาเป็นไตรักไม่ได้ครับ ืก็ต้องปล่อยตามนั้นห้ามเขาไม่ได้ในเวลาเขาก็จะแก่จะเจ็บจะตายเราไปห้ามเขาไม่ได้ครับแล้วขอนญาติเรียนถามอาจจะเป็นการไม่ทราบว่าล่วงเกินหรือเปล่านะครับการที่เราอยู่ใช้ชีวิตอยู่ปกติแล้วมีคนมาด่ามาว่ามาสาบแช่งมาอะไรก็แล้วแต่พูดถึงเราในทางไม่ดีเราโกรธรู้สึกแต่วางเลยหรือต้องไม่โกรธครับ เถ้าเราไม่มีความอยากมันก็รู้เองอ่ะมันต้องถามคำนี้ถ้าถามก็แสดงว่ายังมีความอยากยังมีครับใช่อยากให้เขาชมเราอยากให้เขาไม่พูดไม่ดีกับเราไม่อยากให้เขามาไงครับเอต้องตัดความอยากนี้ให้ได้ให้ปล่อยเข้ามาเขาอยากเจอใช่ครับก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเป็นเช่นนั้นอยู่ก็คือเออยากด่าๆไปเออยากว่าว่าไปแต่มันมันต้อง ความหมายไม่ไม่ใช่ที่ผมเรียนกราบเรียนเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเ อ, อ่อยากด่าๆดาไปนะครับแต่ว่าผมถามแค่ว่าเรารู้สึกแล้ววางเดี๋ยวนั้นเลยอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าต้องไม่รู้สึกเลยอ่าอย่างนั้นเนี่ยมันดีกว่ากันนะมันมันมันไอเดียกันเนี่ยมันคือไม่รู้สึกมันก็เหมือนอเอาเข็มมาจิ้มเนื้อเนี่ยครับอ่มันต้องไม่เจ็บเจ็บแต่ไ ม, ไม่ไม่มีปฏิกิริยากับนั่นไงครับก็นั่นนะครคือก็ทราบว่ากู แต่ว่าไม่มีปฏิกิริยาไม่มีนะไม่มีแน่ครับไม่มีก็จบเลยไม่มีก็คือเอาเข็มจิ้มเนื้อปฏิบัติเพื่อไม่ให้เท่ากับอะไรไงครับใช่ครับก็เหมือนเอาเข็มจิ้มเนื้อเจ็บแต่ว่าก็เฉยเฉอไม่เท่ากับมันใจไม่เจ็บเจ็บจะร่างกายเท่านี้ครับอยากถามแล้วก็อยากถามว่าแล้วที่อพระผู้ปฏิบัติแล้วเนี่ยครับยังมีความรู้สึกอย่างนี้ต้องหมดเลยใช่ไหมศูนย์เป็นศูนย์ไปเลยก็ไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมมันก็เหมือนกันะต้องทกต้องหมดนะ ถ้าไม่เหมาะก็ต้องปฏิบัติต่อไปต่อเป็นจึงจะไม่มีทุกข์หลงเหนือยอยู่ในใจครับมันตอนนี้มันก็มีแต่บางทีมันก็ชอบมีเข้ามาก็คือความเบื่อหน่ายความรู้สึกมันมีแต่มันไม่ทุกข์ความเบื่อหน่ายนี่ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะใช่ครับต้องไม่มีครับต้องเฉยเฉยมันก็แวบๆเข้ามาแล้วครับก็ได้ตายก็ได้ใช่ครับชมก็ได้ด่าก็ได้แต่มันก็แวบๆเข้ามาครับก็ยังไม่ยังตัดไม่ขาดยังไม่ขาดใช่ครับทีนี้อยากถามว่ามีอ วิธีอย่างไรนอกจากฝึกเท่านั้นใช่ไหมครับควรๆให้จิตเข้าฌานให้ได้ก่อนจิตต้องเข้าถึงฌานแล้วมันจะตัดได้หมดถ้ายังเข้าไม่ถึงฌานมันตัดไม่ได้หมดครับเพราะว่าผมปฏิบัตินี้ผมไม่เคยรู้ปฏิยัติเลยอไม่ต้องรู้่ให้รู้วิธีปฏิบัติก็พอใช่ครับแม้กระทางนั่งผมก็ยังไม่ได้ภาวนาไปรู้วิธีนั่งก็แล้วกันใช่ครับทำใจให้สงบใช่ครับแนั้นแหละครับผม อันนั้นก็เป็นปริยาติท่าน่ะครับต้องรู้ก่อนถ้าไม่รู้ก็ปฏิบัติไม่ถูกเก็ทําให้นั่นแล้วมันก็นิ่งไปจนกระทั่งนิ่งหายไปเลยครับก็ดีครับผมขอให้ทุกขอให้อย่าไปทุกข์กับอะไรท่านนั่นเองนั่นคือรับจุดหมายปลายทางของการก็วางให้หมดเออใช่ครับคือเราไม่ได้ไปห้ามอะไรใครอจะเกิดใครอจะทําอะไรเราไม่ห้ามเขาแต่เราอย่าไปทุกข์กับเขาท่านั่นเองก็ปล่อยครับเออครับผม ครับถ้างนั้นคงหมดครับหมแล้วนะครับผมอยากมาเพื่อถามทรงนี้แล้วครับมีหนังสือตั้งอยู่บนโต๊ะนะถ้าต้องการก็หยิบไปอ่านครับผมมีเป็นเทปเป็นนั่นการสอนไหมครับก็ต้องติดตามในเฟซบุ๊กกับยูทูบมม่ีเวลามีสชได้มีเครื่องเล่นแฟลชได้มีครับมีครับอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลูกศิษย์ก็จะจัดให้อ่าครับถ้าอย่างนั้นได้เพราะเวลาผมทํางานผมขับรถเสียบเข้าไปในรถก็ได้เสียบแล้วก็ฟังได้เพราะว่า ผมไม่ไม่ได้รับการอ่านได้เดี๋ยวรอรับแั่นได้กระจายจากลูกศิษย์ได้ครับครับผมครับกรับคุณแก้วอยู่หรือเปล่ามีแั่นได้มั้ยเราขอแผ่นได้ม้านหนึ่งให้โยมเข้าไปถ้าใครต้องการแั่นได้ก็ขอจากคุณแก้วได้นะ โอเคถามคำถามต่อคำถามจากผู้ฝากถามค่ะกลัวหนอนกลัวกิ้งกือจะต้องแก้ไขอย่างไรคะก็หัดไปอยู่กับมันเลยจับมันลูกหัวมันนั่งมันก็มีหนังเนื้อเอ็กระดูกเหมือนเราอ่ะเราไม่กลัวหนังเราไปกลัวหนังมันทำไมไอ้มีเนื้อเราก็มีเนื้อมันมีเอ็นเราก็มีเอ็นมีกระดูกเราก็มีกระดูกมันไม่มีส่วนไหนที่มันน่ากลัวเลย ไน้ที่น่ากลัวแล้วก็มีอยู่กับตัวเราทําไมเราไม่กลัวตัวเราใช้ปัญญาคิดเะหน่อยสิคําถามจากผู้เราฟังนะ้ากูดค่ะในการทํางานที่ไม่สามารถเลี่ยงการผิดศีลข้อหนึ่งได้เราจะมีวิธีการทําบุญหรือมีแนวทางอย่างไรให้บาปน้อยที่สุดคะ <S 1> <S 1> บาไม่น้อยลงจากการทําบุญแต่ถ้าบุญมากกว่าบาปบุญจะทําหน้าที่ก่อน แต่ถ้าบุญน้อยกับบาปบาปก็จะทำหน้าที่ดึงใจให้ไปนรกถ้าบาปมากถ้าบุญมากกับบาปบุญก็จะดึงไปสวรรค์ก่อนแต่บาปกับบุญนี่มาลบล้างกันไม่ได้เป็นหมุนชักกะเยกันถ้าเราไม่สามารถเลี่ยงจากผิดศีลข้อสามได้เราจะมีแนวทางปฏิบัติและทำอย่างไรให้มีบาปน้อยที่สุดคะ ก็ทำให้น้อยที่สุดทำให้มันน้อยที่สุดคำถามจากผู้รับฟังนะกุติค่ะ พอปฏิบัติจนมีความเข้าใจในสภาวะจิตแล้วความรู้สึกต่างๆมันก็หายไปแต่บา่วางเวลาใจมันสงบอยู่แต่ยังต้องตอบโต้กับสิ่งที่มากระทบจนเกินต้านแต่เรายังมีสติอยู่เสมอแต่ว่าบางครั้งที่เรายังต้องตอบโต้กับสิ่งที่มากระทบแบบนี้แสดงว่ายังเข้าไม่ถึงสมาธิใช่ไหมคะยังเข้าไม่ถึงปัญญาปัญญาจะสอนให้เราไม่ตอบโต้กับอะไรทั้งสิ้นเพราะ เขาเป็นอนัตตาเราไปทำอะไรเขาไม่ได้เราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เหมือนฝนตกแดดออกเราไปสั่งฝนให้ตกหรือให้แดดออกไม่ได้แต่เราหัดอยู่กับเขาได้ <c oughs> คำถามสักทาง g youtube พระอาจารย์สุชาติค่ <c oughs> ะภาวนาถึงความว่างเหมือนร้กายจิต เป็นอากาศว่างๆไร้ที่สิ้นสุดจิตสงบสบายพอจิตจะถอนจึงย้อนกลับมาพิจารณากายต่อทําสลับไปมาพักที่ความว่างแล้วมาพิจารณากายแบบนี้ทําถูกหรือไม่ครับก็อย่าทำสองอย่างพร้อมกั น, กนแล้วกันถ้าทําสมาธิก็ทําให้จิตว่างให้นิ่งให้สงบเวลาจิตไม่ว่างไม่สงบไม่นิ่งอยากจะทําปัญญาก็พิจารณาอน่างกายไปก็ได้ คำถามจากทาง facebook ค่ะลูกปฏิบัติลูกปฏิบัติธรรมเช้าเย็ยนทุกวันมีเวลาก็ไปปฏิบัติที่วัดบ้างแต่ตอนนี้ลูกมีใจที่เบื่องานเบื่อทางโลกอย่างมากค่ะลูกอยากออกบวชแต่ไปปลูกบ้านแล้วปฏิบัติเองแบบอยู่คนเดียวแบบนี้ถูกทางไหมคะก็เริ่มต้นก็ทําได้แต่ถ้าจะบวชระยะยาวก็ไปอยู่วัดดีกว่าไปอยู่เข้าระบบดีกว่า เราจะได้ไม่ต้องกังวลกับเรื่องการหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองเพราะถ้าเราอยู่กับระบบแล้วเขาจะระบบจะจัดการให้กับเราเองแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวมีเราก็ต้องหาเงินค อ, อยมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองเราอยู่ถ้าให้เราเก็บเงินไว้เราก็ไม่มั่นใจว่าเงินนั้นมันจะหมดหรือไม่หมดพอหรือไม่พอเฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ไปบวชต่อแต่เบื้องต้นนะยังไม่พร้อมที่จะบวชก็ปฏิบัติที่บ้านของตนไปก่อนก็ได้ แต่เมื่อจิตมีพลังมากแล้วมันจะสามารถไปอยู่ไปอยู่วัดได้ไปอยู่ในระบบได้แล้วเราก็จะมีกลุ่มที่จะคอยดูแลกันเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นอะไรก็จะมีเพื่อนปฏิบัติธรรมคอยดูแลกันอยู่แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวนี่โดดเดียวเดียวได้ไม่มีใครดูแลเราคาถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ ข้วิการรโภชนาพระอาจารย์เคยปากไม่สะอาดหลังเที่ยงไปแล้วไหมเจ้าคะถ้าเคยพระอาจารย์ปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะตอนนี้หนูถือศีลแปดมาได้สิบสองถึงสิบสามปีแล้วค่ะเป็นกงังวลกับศีลนี้ห้าปีค่ะบาังไม่สะอาดเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคุณ้องกงังวลหรออย่าอย่ากินเข้าไปก็แล้วกันอย่ากินศีลคร้ง น, นี้ก็หลังจากเที่ยงวันแล้วามาอาหารเข้าปากนั่นเองส่วนอาหารที่ค้างอยู่ในปากก็ไม่เป็นไร <c oughs> ถ้าทางที่ดีก็ไปแปลงฟันเสีหืออยากกินเสร็จแล้วไม่ได้ไม่กินแล้วก็ไปแปลงฟันเสียปากก็จะสะอาดคำถามจากทางเฟซ b ุ๊ k ค่ะขอถามว่าการจะไปปฏิบัติทมบนเขาจะต้องฝึกให้เข้มข้นเบื้องต้นอย่างไรคะต้องรู้ว่าเราต้องไปทำอะไรถ้าเรายังไปแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็แสดงว่ายัางไม่พร้อมแต่คนที่พร้อมคขารู้ว่าเขาจะไปทาอะไร เขาจะไปเจริญสติไปนั่งสมาธิเดินยกยมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะเขาจะทำแค่นี้เขาจะไม่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ การที่เราทำงานได้รับหน้าที่บริหารแต่เราไม่มีความสุขกับการที่จะเปลี่ยนแปลงคนเพื่อให้ได้เป้าหมายขององค์กรรู้สึกมีความทุกข์มากค่ะเพราะแต่ละคนจะเป็นเหมือนน้ำเต็มแก้วไม่รับฟังและไม่ปรับเปลี่ยนและเป็นคนที่ไม่ชอบทำให้ใครเสียความรู้สึกค่ะถ้าเราลาออกจะเป็นการหนีปัญหาไหมคะหรือคุนอยู่แล้วปรับใจตัวเองถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินค่ะก็แล้วแต่เรา ถ้าอยู่ก็ต้องปรับใจตัวเองให้เข้ากับเขาให้ได้ถ้าปรับใจไม่ได้ก็ออกไปไปอยู่คนเดียวคำถามถัดไปจากทางเฟซบุ๊นะคะคำถามค่อนข้างยาวจะขออนุญาตอ่านให้กระชับนิดนึงนะคะ่ะกระผมเป็นคารวาสได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกับหมู่คณะนะหลังจากทาวัดเยน็น พระอาจารย์ได้เมตตาให้ทุกท่านนั่งสมาธิเป็นเวลาประมาณสามสิบนาทีระหว่างที่ผมก ร, กระผมนั่งอยู่ก็เกิดความคึกขนองด้วยเห็นว่าเนนที่นั่งใกล้ๆค่อนข้างสุขสนกับผมจึงเผลอทรงจิตไปรบกวนจิตเนนเพื่อให้เนนไม่มีสมาธิอยู่กับการภาวนาเนนก็ถอนหายใจเสียงดังขึ้นมาจริงๆ ซึ่งกระผมก็รู้สึกขำเจตนาในตอนนั้นเป็นเพียงการหยอกเล่นไม่ได้ตั้งใจให้เกิดโทษกระผมทําเพียงครั้งเดียวแต่ภายหลังก็นึกย้อนกลับไปรู้สึกไม่สบายใจและไม่แน่ใจว่าการกระทําลักษณะนี้เข้าขายเป็นบาปหรือไม่แล้วจะมีผลต่อการฝึกจิตตภาวนาของตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่อย่างไรจึงขอความเมตตาพระอาจารย์โปรดชี้แนะ เพื่อปรับปรุงจิตใจให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้นครับเวลานั่งสมาธิให้เราอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมไปอย่าไปสนใจกับเรื่องคนอื่นท่านนี้ เ, เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุด <c oughs> คำถามสักทางเฟซบุ๊ค่ะทำยังไงให้สามารถมีแรงจูงใจในการปฏิบัติได้ตลอดไปคะบางทีก็มีแรงในการปฏิบัติบางทีก็ไม่มีแรงในการปฏิบัติค่ะ ก็ต้องมีครูบาอาจารย์หรือหนังสือธรรมะขอให้กำลังใจเราอยู่เรื่อยๆเราปฏิบัติไปสลับกับการศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมไปเข้าหาครูบาอาจารย์ไปก็จะช่วยให้เรามีกำลังใจได้คำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะในระหว่างที่ความ ในระหว่างที่รู้ความคิดเกิดขึ้นแล้วเห็นความคิดและความคิดดับลงเกิดตัวรู้ขึ้นมาแล้วรู้ว่ารู้และรู้สภาวะร่างกายอยู่หนึ่งเนืองอย่างนี้เรียกว่าการตั้งสติในชีวิตประจําวันได้ไหมครับก็ต้องก็ <c oughs> ต้องรู้อยู่กับเรื่องเดียวถ้าให้อยู่กับพุโทโธก็ต้องรู้อยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวถ้าอยู่กับร่างกายก็ให้ดูรู้อยู่กับเรื่องของร่างกายอยู่อย่างเดียวอย่าไปรู้เรื่องอื่น ยีเรกมสติ <c oughs> คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะยอดกำลังจะตายลูกเลยบอกว่าให้ให้เขาพุโทโธพุโทโธพุฒภูมิที่ได้พุภูมิที่ได้ไหมคะแต่คืนที่ลูกฝันเขามาขอบคุณค่ะเออรับรู้ไปก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องของเรา เื อ, อเราก็คือพยายามตามใจเราให้นิ่งให้สงบไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับอะไรเรื่องของคนอื่นก็เรื่องของเขาไปมีใครอยากจะถามอีกไหมช่วงนี้มีว่างตกคำถามโยมยังจะถามอีกไหมาการที่ผมดึงด้ายเอาไมไปหน่อยนั่งพื้นไม่ได้าไไไดการที่ผมไม่สามารถนั่งพื้นได้นะครับเนื่องจากาผมเคยอุบัติเหตุเครื่องบินตกเป็น hard l ดแล้ว ต้องไต่เฟือกอยู่นี่สามสิบกว่าปีแล้วครับก็เลยนั่งพื้นไม่ได้ทีนี้แต่ใจอยากบวชแต่อุปชาผมบอกว่าตอนที่วันลาสิขาบอกว่าก็ลาไปเฉพาะกายแต่ใจก็ถือเอาไว้อยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่ปี3ามห้าก็ทำอยู่อย่างนี้แต่ทีนี้ถ้านั่งไม่ได้นี่เราสมควรจะบวชหรือไม่สมควรบวชครับไม่เห็นที่ท่านนั่ง มันอยู่ที่ใจเราพร้อมที่จะบวชทำไมใจนะพร้อมอยากใจอยากด้วยแต่บวชแล้วทีนี้เราไม่สามารถทํากิตของสงได้อะครับก็ต้องไปคุยกับคนที่รับบวชเราเลยเขาจะยกเว้นเราได้หรือไม่มันสามารถยกเว้นได้หรือครับก็ไม่รู้แหละบางคนเ้ามีบารมีเขาอาจจะยกเว้นได้ก็ได้คนบางคนติดคุกยังไ่อยู่โรงพยาบาลได้เลยผมอยาก คือผมเป็นคนที่ทําอะไรชอบทําให้ดีที่สุดให้ร้อยเปอร์เซ็นที่สุดครับอันที่มันไมมันไม่ได้ยังทำยังไงนั่นนะครับก็เอาแปดสิเปอร์เซ็นต์ไปก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยคิดแต่ว่าตกทุกวันนี้ก็คิดอยู่แค่ว่าก็บวชจิตเราให้อยู่อย่างนั้นก็เป็นอุบาสกก็ได้ไปอยู่วัดเป็นเป็นพราขาวถึงศีลแปดไปครับตอนนี้ก็ปฏิบัติเช่นนั้นครับอแต่ไปอยู่วดัดเนี่ยไปอยู่เป็นนุกสิตวัดไปเลยครับแล้วถ้าบวชได้ก็ลองคุยกับอุปชาดู โดยท่านเมตตาอาจจะยกเว้นเราก็ได้แต่ส่วนใหญ่ทั้งการมาบวชนี้ต้องต้องพร้อมในการที่จะปฏิบัติภารกิจต่างๆของสงฆ์ของพระใช่ครับถ้าไม่พร้อม<ช>เขาก็ไม่ให้บวชอยู่ดีใช่ครับ อ, อยังก็ต้องบวชทางใจไปอย่างที่ก็คงอย่างน่ะคงต้องเป็นเช่นนั้นเพราะว่าตอนนี้ก็จริงๆตอนนี้ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ตัดไม่ได้คือภารกิจหน้าที่ต่อประเทศชาติอเราก็ทํามาตั้งแต่เด็กแล้วก็ แต่ก็คิดว่าจะขอทําแค่ชาตินี้ภพนี้แล้วก็จบจบแล้วจบกันก็คงทําถึงที่สุดเท่านั้นครับโอเคครับในเวลาการบ ร, รุษุธทําไม่ได้บ ร, รษย์ที่ร่างกายบรรลุที่ใจครับผมคนะารว่าก็เป็นพระหันก็มีครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระได้ตัดสินใจได้ครับตอนนี้ก็ยังตัดสินใจอย่างนั้นอยู่ครับผมเราบรรลุก็แล้วกันจะเป็นพระหรือเป็นคารว่าก็ไม่ใช่ครับ นี่ก็เป็นพระแล้วไม่ได้บรรลุก็มีเยอะยะครับก็พยายามปฏิบัติแล้วก็ผมเข้าที่ตุนมากจะไปที่วัดทุธาวาสครับที่สะกนนะครับอืมที่ไปกล่าวหลวงปู่มั่นนะครับผมก็มีสัญญากับหลวงปู่อยู่ครับอืมแล้วก็หงลวงปู่ได้เคยเมตตามาสอนอครับก็ หวังเช่นนั้นทีนี้ก็พยายามจะดูไม่ค่อยได้หาครูบาอาจารย์ก็ยังถ้าทํางานได้ก็มีงานก็ทําแต่ถ้าไม่มีก็ปฏิบัติครับถ้าเรามีธรรมในใจแล้วไม่ต้องหาใครก็ได้ครับเรามีธรรมเป็นอาจารย์เราในใจแล้วเราก็พอแล้วใช่ครับดีหาทุกมุมครับผมหาทุกครับมีไม้คําถามมันถ้าไม่มี